ข้อความในคุตกานิกายอิติวุตกะนะครับชีวิตสูตรนะครับในข้อ271ว่าด้วยก้อนข้าวของชาวแว่นแควนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เป็นธรรมบรญญัการถวายแด่พระคุณเจ้าที่รักและเคารพนะครับดูความพิสูจนทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการสแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลาย เรียก ว, ว่าชีวิตของขอทานนี่นะครับเป็นความอยู่ที่เลวซามทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับคนเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะชีวิตขอทานทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาตคือกระเบื้องในมือนะย่อมเที่ยวสแสวงหาก้อนข้าวในโลกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็กุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้ไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุไม่ได้ถูกพระราชาให้นำไปจองจําไว้เลยนะครับ ไม่ได้ถูกโจรนําไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยแล้วก็เป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการสแสวงหาก้อนข้าวนะครับก็ด้วยคิดว่านะคือเป็นปกติธรรมดาเลยนะครับเป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรงเป็นต้นเนี่ยนะสมส่วนหมดแต่ก็มาถือกระเบื้องนะครับถือบาดแสวงหาก้อนข้าวด้วยคิดว่า แม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงามแล้วถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงามแล้วแม้ฉไนะการกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏดูกวามพิสูจนทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอภิชามมาก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 จะใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้นบุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคาแห่งคือหัดและไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์นะครับบอกว่านี้หมายถึงพระภิกษุผู้มีศีลนะครับตั้งใจบวชมาเป็นอย่างดีแต่บวชมาแล้วเนี่ยนะครับปล่อยจิตให้เป็นไปกับอคุศโรวิตกมากๆนะครับลักษณะนี้นะครับเหมือนกับท่อนฟืนเผาผีนะครับแล้วผมก็ตัดเป็นคาถาว่า บุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคาแห่งครือัดย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีชิบหายไปอยู่ฉะนั้นนะครับถ้าพิมไม่มีศีลนะครับก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลผู้บริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะดีอะไรนะครับนะเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างี้ก็ทําให้นึกว่าโอ้เชีวิตของคนขอทานเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่อับปฝับที่สุดนะครับในบรรดาการใช้ชีวิตทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวบ้านทั่วๆไปในสมัยนี้นะเห็นตู้เจ้าเขาไม่ค่อยศรัทธาหรือไงไม่ทราบนะครับมันใครขี้เกียจขี้เกียจนี่เขาจ ะ, ะได้ไปบวชไปไปบวชเป็นตู้เป็นเจ้าไปอะไรกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิต ของยุคนี้นี่นะครับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเราเนี่ยถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะนี่แหละครับอย่างที่พอองษ์ว่าแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านตําหนิสมัยนี้นะครับถูกเป๊ะหมดเลยอย่างที่คอมมิวนิททั้งหลายก็ดูถูกนะครับถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจริงๆก็เป็นคนที่กินแรงสังคมนะครับก็คิดดูนะครับคนปูนพ่อปูนแม่เขาทําไร่ไถนาเลือกสวนงับงกเงืนๆนะครับตื่นเช้ามาไปรดน้ําผักนะครับ นะครับตั้งหอบน้ําหิว้วน้ำนะครับแม้กระทั่งอาหารเนี่ยไอส่วนดีๆของเขาก็ยังแบ่งมาครึ่งหนึ่งเป็นต้นเนี่ยครับมาถวายแล้วก็ของเราเองการงานก็ไม่ต้องทําเลือกสวนไร่นะาสว่าไปแล้วบ้านอยู่ใหญ่ยยโตกว่าโยมอีกนะครับศาลาร า, รามแต่ละแห่งใหญ่ยยโตกว่าของสวยๆงามๆเข้าขอ ง, ของเครื่องใช้ผ้าหม่มดีๆเป็นต้นเนี่ยครับถ้าเทียบไปแล้วก็ใช้ของนี้หมดเลยนะถ้าถ้าดูเปรียบเทียบกันหลายๆเรื่องนะครับ แล้วก็อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขใครมาหาก็ต้องมากราบมาไหว้นะครับเวลาจะกินทีคนก็ต้องมาเชื่อเชิญมานิมนเนี่ยนะครับถ้าเทียบเทียบไปแล้วนะครับดูแล้วมันเหมือนกับราชาดีๆนี่เองนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีคุณคู่ควรกับการบริโภคนี่นะครับก็น่าเสียใจด้วยนะครับว่าเหมือนกับไก่ที่เขากําลังเอาไปขุนนะครับเตรียมจะเชือดเท่านั้นเองนะครับไม่ต่างกันนะครับ ในชีวิตสูตรนี่นะครับมีเรื่องราวก่อนที่พระองค์จะตรัตมีดังว่านะครับมีเรื่องมาว่าดังได้ทราบทราบมาว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโคธารามใกล้กรุงก บ, บิลพัทพิสูจน์ทั้งหลายพากันปูที่นั่งที่นอนสําหรับพระอคันตุกะทั้งหลายกำลังเก็บบาดเก็บจีวรและสัมมาเนธทั้งหลายก็พากัน ร, รับเอาลาบของพิสูจน์ทั้งหลายผู้มาถึงแล้วถึงแล้วในที่ที่แจกลาบก็ได้ทรงเสียงอึกระทึก กันเลยนะครับคือค่ะคันตุกะมาเยอะนะเจ้าทินเจ้าที่ก็ตอนรบับเออมาเลยทักทายปราสายก็แบ่งข้าวแบ่งของกันใครมีของฝากใครนะก็รับเสียงเชี่ยวเจ้าเชี่ยวเจ้ากันใหญ่เลยพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงนั้นแล้วได้ทรงประนามขับไล่ภิกษุเหล่านั้นนะไล่นี้เลยนะครับดูในจาตุมัสูตรนะครับจาตุมัสูตรมัชชิมนิกายนะถ้าโดยพิสดาร น, นะครับ ทีนี้ได้ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเป็นภิกษุใหม่ทั้งนั้นมาสู่พระธรรมวินัยนี้ยังไม่นานครับบวชไม่นานนะครับครูบาอาจารย์ใหม่เนี่ยังไม่ทันเลยเนะี่ยบอบรมสั่งสอนนะนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เข้าไปฮะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาไปนี่ก็ส่งเสียงดังกระทึกขึ้โคมไปหมดเลยนะครับขาดระเบียบขาดวินยัยนี่ถ้าภิกษุบวชนานๆแล้วก็ต่อถ่าประพฤติตัวเหมือนกันก็สแสดงว่าพอกันเนี่ยทีนี้ถ้าวมหาพรหมนี่ก็ทราบพฤติการนั้นแลว้ว ก็ได้เสด็จมาแล้วก็ทูลขอพระพุทธานุเคราะห์นะครับให้พระองค์ทรงอนุเคราะห์แก่ภิกษุที่ถูกประนามเหล่านั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพอพระทยภิกษุสงฆ์นะครับก็ไปอ้อนวอนเชื่อเชิญนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงเปิดโอกาสให้เท้ามหาพรหมนั้นที่นั้นเท้ามหาพรหมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปิดโอกาสให้ข้าพระองค์แล้วก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วก็ได้เสด็จหลีกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนรํารียวขอภิสูจน์ทรจงมาเถิดแล้วได้ทรงแสดงอาการแก่พระนอนนเทระเมื่อเป็นเช่นนั้นพิสษุเหล่านั้นจึงถูกพระนอนุเทระเรียกให้มาหาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายินดีแล้วนั่งอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาหาพระธรรมเทศนาที่เป็นสัปพายะแก่พิสูจนเหล่านั้นก็เลยทรงำรำลึกว่าภิสูจเหล่านี้ถูกเราปรนามเพราะเหตุแห่งอามิตธรรมเทศนาว่าด้วยก้อนข้าวที่ทําเป็นคำคำจะเป็นสัปพายะของพิสูจเหล่านั้นดังนี้แล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ว่าอันตะมิดังพิก เ, เวดังนี้เป็นต้นนะครับ นี้ก็ขยายคําว่าอันตะสับอันตะสับอันตะสับนี้มีหลายความหมายนะครับความหมายที่1แปลว่าส่วนก็ได้ความหมายที่2แปลว่าตัดขาดก็มีแปลว่าครอบงําก็ได้นะครับแปลว่าอวัยวะก็ได้แปลว่าจิตก็ได้แปลว่าภายในก็ได้แปลว่าลามกก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะหส่วน2ตัดขาด3มครอบงำสี่อวัยวะ5จิต6ภายใน เลามกนะครับมีประมาณเจ็ดในนะนะอย่างเช่นที่แปลว่าส่วนในคําทั้งหลายเป็นต้นว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายมีสมณะพรามบางพวกเป็นปพุพานตักัปปิกะนะครับละที่ที่อ้างส่วนเบื้องต้นนะครับผู้สร้างนะครับมีส่วนคล้อยตามส่วนเบื้องต้นนะครับอันนี้อันตะนี่นะครับอันตะนี่ตรงนี้แปลว่าส่วนเบื้องต้นนะครับเช่นมีส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นอันตะสับตรงนี้แปลว่าส่วนอันนี้ก็ยกข้อความมาในพรหมชาลสูตรนะครับทีนี้อันตะสับบางทีแปลมีความหมายว่าตัดขาดก็ได้เช่นั น, นว่าท่านได้ทําที่สุดแห่งทุกแล้วโลกนี้มีที่สุดหมุนไปรอบๆ อ, บอบนะครับอันนี้นี่แปลว่าตัดขาดนะครับคือตัดขาดหรือทําที่สุดแห่งทุกนะหรือบางทีก็มีความหมายว่าครอบงำเช่น ปฐวีธาตุอาศัยภูมิภาคที่ปกคลุมด้วยของเขียวกั้นด้วยถนนมีภูเขาขวางกั้นอันนี้ น, นีแปลว่าครอบงำนะครับคำว่าปกคลุมนั่นเองนะครับครอบงำก็คือปกคลุมหรือบางทีนะครับอันตราพนี้แปลว่าอวัยวะนะครับในร่างกายเช่นคำทั้งหลายเมียที่ว่าไส้ใหญ่ นะครับสายรัดเนี่ยนะครับอันตะคูนังะนะอันตังอันตะคูนังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอวัยวะในร่างกายนะครับเช่นไส้ใหญ่นะครับไส้น้อยเนี่ยนะอันตะตัวนั้นนะแปลว่าลำไส้ก็คือส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายหรือว่ามาแล้วในความหมายว่าเป็นจิตก็มีนะครับแปลว่าจิตอย่างเช่นคําว่าก็คนบางจําพวกมีบริวารห้อมล้อมเที่ยวไปอยู่ภายในจิตไม่บริสุทธิ์แต่ภายนอกกายงดงามนะครับ หมายคําว่าโหใจนี่ลามกหน้าดูเลยแต่ร่างกายดูหน้าเลื่อมใสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันตะตัวนี้แปลว่าจิตนะครับหรือว่าบางทีนะอันตะศัพท์แปลว่าภายในภายในก็เช่นในคําเป็นต้นว่าอุบลปฐมบุญทริกบางเหล่าเกิดในน้ําเจริญในน้ํามีน้ําหล่อเลี้ยงไว้นะครับจมและพ่อพูนอยู่ในภายในอันนี้แปลว่าภายในนะครับอันตะศัพท์เหมือนกัน หรือบางทีก็แปลว่าลา ม, มกก็ได้นะครับอันตะเช่นคําว่าบรรดามรึกทั้งหลายสุนักจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวสในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับหมาสุนั ก, กิ้งจอกนี่เลวกว่าพวกมันเถอะบรรดาปักศีทั้งหลายกาเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ําบรรดาต้นไม้ทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ชนิดเลวของเลวสทั้งสาอย่างนี่มาประชุมกันว้นะครับรวมศูนย์รวมความเล ว, วนะใช่ไหมครับสุนักจิ้งจอกกาแล้วก็ต้นละหุ่งนะครับ มารวมกันนะครับ น, น, น, นะครับก็คือก็เลวกว่าต้นไม้อย่างอื่นมั้งครับด้วยจะเหตุผลของเขาะนะเนาะถามว่าพระสูตรนี้เนี่ยแปลว่าเลวนะครับแปลว่าเลวซ้ำนะอันตะสับตรงนี้นะครับในสูตรนี้แปลว่าเลวอย่างเช่น เ, เพราะฉะนั้นบทว่าอันตะมิดังพิคเวชีวิ ก, กานังจึงมีอาาธิบายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายชีวิตคือความเป็นอยู่นี้เป็นชีวิตที่ต่าําซ้ำ คือล้าหลังได้แก่ลามมกหมายคำว่าเลวกว่าความเป็นอยู่ทุกชนิดของผู้เลี้ยงชีวิตทั้งหลายคือชีวิตขอทานเหมือนันน่ยชีวิตที่ถือกระเบื้องเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบาตร น, นะครับเพราะเพราะไนเรียกว่าบาตรนะครับถือบาตรเหิว้วมขอคนอื่นเ้ากินเน่ยนะบทว่ายะทีทางปินโดลายังความว่าชีวิตของผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยการสแสวงหาก้อนข้าวคือเที่ยวนะการเที่ยวขอเขานี้ใดก็บทว่า ปินโดลายังนี้มีอัดฐะแห่งบทตังต่อไปนี้บุคคลชื่อว่าปินโดละเพราะเที่ยวไปเพื่อก้อนเข้ากิจกรรมของผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนเข้านั้นชื่อว่าปินโดละยะอธิบายว่าผู้เลี้ยงชีพด้วยการสแสวงหาก้อนเข้านะครับไปเที่ยวหาเา็าถวายมาเป็นปั้นๆ น, น, นะครับใส่ถุงมาด้วยเนาะนะครับที่นี้ว่าชีวิตแบบนี้นะครับชื่อว่าชีวิตที่เลวกว่าพวกมันแต่นะ เพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลาย ท, ทั่วไปนี่เวลาเขาด่าคนเนี่ยนะประจานคนก็ให้ไปขอทานกินอ่างนั้นนะนะฉันนว่าชีวิตแบบนี้จิงเลววะงั้นการด่าชื่อว่าพภิลาตะอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายโกรธแล้วจะด่าคนที่เป็นศัตรูของตนว่าแกเนี่ยควรจะนุ่งผ้าเกา่เกาๆมีมือถือกระเบื้องเที่ยวสแสวงหาก้อนข้าวว่างั้ น, นไปขอทานไปว่างั้นนะ นะครับเหมือนเราเลยแบบนันอีกอย่างหนึ่งจะด่ายอย่างนี้ทีเดียวว่าแกจะไม่มีอะไรที่จะต้องทําแล้วหรือจึงได้ละทิ้งฮิริโอต ป, ปะทั้งที่ยังมีกําลังและความเพียรแล้วเป็นคนกําพร้ามีมือถือบาดขอทานเ้ากินนะครับมาหมดที่ไปหรือยังไงจึงได้มาถือกระเบื้องขอทานเขากินแบบนั้นนะ เอาที่จริงแถวแถวบ้างบางคนเขาว่าอย่างนี้จริงๆนะครับเขาว่าเห็นพระบวชนานๆเนี่ยนะบางทีเขาก็ตําหนิในลักษณะนั้นไม่มีที่ไปไม่มีที่ทํากินหรื อ, อยังไงนะครับของเราเออเรตรวจสอบดูเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างเขาว่าเนี่ก็เสียหายแล้วนะนะครับบทว่าตันจักโขเอตังความว่าย่อมเข้าถึงแม้ถึงการสาบแช่งคือความเป็นอยู่ด้วยการสแสวงหาก้อนข้าวนี้นะครับ หมายความว่าถ้าเขาจะดานะเขาจะด่าเราแบบนี้แหละครับด่าคนแบบพูดว่าชํานวนชาวบ้านทั่วๆไปนะเวลาเขาด่ากันเขาจะด่ากันแบบนี้กุลบุตตาเป็นติอัทธวสิกาความว่ากุลบุตรโดยกําเนิดและกุลบุตรผู้มีอาจารยในศาสนาของเราเป็นผู้อยู่ในอํานาจแห่งอัตคือเป็นผู้อยู่ในอํานาจแห่งเหตุคืออาศัยเหตุแลว้ว เข้าถึงคือประสบนะครับหมายความว่าผู้ที่มาบวชเข้ามาในาศาสนานี่นะครับที่มาถือก้อนเข้านี่นะครับขอเหมือนกับขอทานเนี่ยนะเพราะมีเหตุนะเพราะมีประโยชน์เพราะมีอัดนะจึงมาทําอย่างนี้นะครับอัดที่ว่าคืออะไรครับก็ต้องเว้นก่อนว่าราชาพินีตาเป็นต้นต่อไปว่าคนเหล่าได้ถูกพระราชาให้จองจําไว้ในเรือนจําเพราะกินของหลวงนี้ไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่าราชาพินีตาเพราะถูกนําไปยังที่จองจํา พูดอีกใ น, นหนึงก็ไม่ได้หนีคุกหนีตารางมาบวชนะนะที่มาบวชนี่นะเพราะเป็นกุลบุตรใช่ไหมครับกุลบุตรโดยกําเนิดนะครับเป็นโคลูกของคนมีผู้ดีมีตระกูลแล้วก็มีความประพฤติดีเนี่ยนะครับที่มาบวชนี้ก็ไม่ได้บวชเพราะหนีคุกหนีตารางมานะหรือว่าไม่ได้บวชเพราะหนีโจรมาอธิบายว่าคนเราได้ถูกพวกโจรจับในดง เมื่อบางเหล่าถูกฆ่าให้ตายแต่บางเหล่าขอร้องว่า น, นายครับถ้าพวกผมถูกพวกท่านปล่อยไปแล้วจักครองเรือนแล้วบวชจะกทำบุญใดๆมีพุทธบูชาเป็นต้นในทีน่นั้นๆจักให้ส่วนบุญจากนั้นๆแก่ท่านทั้งหลายดังนี้ก็เป็นผู้อันโจรเหล่านั้นปล่อยแล้วก็ไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่าโจราพินีตาเป็นผู้ถูกโจร น, นำไปยังที่ที่ที่จะถูกให้ฆ่าตายอย่างนี้เขาเรียกว่า นะบวชเพราะหนีโจรเหม ง, งนนเถอะบวชเพราะขอร้องโจรเออกุลบุตรนี่ไม่ได้บวชเพราะ น, นะครับไปบนโจรไว้หรอกเหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่คนเหล่าใดกู้หนี้แล้วไม่สามารถจะใช้หนี้ได้นี้ไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่นอินา ต, ตาแปลว่าลูกหนี้นะเชื่อมบท ว, ว่าก็กุลบุตรทั้งหลายในาศาสนาของตถาคต นะครับได้ถูกพระราชานำไปเป็นต้นนะมีการเลี้ยงชีพตามปกติเข้าถึงความเป็นผู้ขอทานนี้นั้นนะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยคิดว่าเราทั้งหลายถูกชาติเป็นต้นนั่นแหละครอบงำแล้วนะครับคือที่บอกว่านะพวกเรา เ, เป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมณตและอุปายาตครอบงำแล้ว ถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงามแล้วแม้ไฉนะิการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้นะครับอย่างที่เราเคยสวดนะพี่คู่นางสิกาซาชีวะสมาปนานะครับเชา้าๆโดยทั่วไปก็จะสวดอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นก็ที่บวชบวชนี้เพราะว่าเห็นถูกชาติชราพยาที่มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณะอุปายาตครอบงามท่วมทับนะนะครับจึงได้มาบวชจึงได้ต้องมาถือ กระเบื้องขอทานอยู่เพราะว่าปรารถนาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวัตทุกขเหล่านี้แบบนั้นทีนี้ก็ขยายตามลําดับว่าชาติยาเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้การก่ อ, อกเกิดครั้งแรกของขันทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้ น, น, นชื่อว่าชาตินะครับรแรกเริ่มปฏิสนธินี่นะครับส่วนความแก่ง่อมนะครับชื่อว่าชาราความแตกดับชื่อว่ามรณะความเร่าร้อนคือ การแผดเผาภายในใจของผู้ถูกความเสื่อมเพราะญาติญาติเสื่อมจากญาติก็เผาะนะครับซื้อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหรือว่าเสื่อมโภคะหรือว่าเสียศีลเสียทิฏฐินะครับกระทบกระทั่งนี้ชื่อว่าโซกะนะครับแผดเผาภายในนะส่วนความพินาศพร่ำทางวาจานะครับของผู้ถูกความเสื่อมเสียกระทบกระทั่งแล้วชื่อว่าปริเทวะ การเบียดเบียนทางกายของผู้ที่ถูกโพธาภะที่ไม่น่าปรานากระทบเนี่ยชื่อว่าทุกการเบียดเบียนทางใจของผู้ที่มีจิตนะครับถูกกระทบกระเทือนในอาคาตวัตถุทั้งหลายชื่อว่าโทมนั์นะครับเสียใจนะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจความลำบากแรงกล้าที่เกิดจากกลุ้มใจของผู้ถูกความเสื่อมญาตเป็นต้นกระทบนะครับผู้ไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้ แม้ด้วยการครวนครางชื่อว่าอุปายาตนะครับผู้ถูกทุกข์ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นครอบงามแล้วชื่อว่าถูกทุกติดตามแล้วคือเป็นผู้ถูกทุกข์ทั้งหลายมีชาติติทุกนะครับคือชาติชรามรณะโศกกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตนะครับสอดแทรกเข้าไปในภายในทุกขปะปเรตาผู้ถูกทุกขและเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกครอบงามแล้วอธิบายว่า ชาติเป็นต้นชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกโสกาปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตชื่อว่าทุกเพราะเป็นตัวทุกนะครับถ้าไม่มีชาตนะโศกาปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตจะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมบะอปเปวนามะอิมาสะเกวราสะนะครับเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าชื่อแม้ชนะการทําการตัดขาดคือกิริยาที่สุดลงแห่งกองทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ นะครับทำยังไงจะปรากฏชัดแก่เราได้นะครับทำยังไงจึงจะได้พ้ น, นจากชาติชารามรณะนี้สักทีหนึ่งในคําว่าโสจะโหติอภิชารุนะครับคือหมายความว่าโอที่มาบวชเนี่ยนะเพราะอาเป็นกุลบุตร ด, ด้วยแล้วก็เห็นภายในวัตตะทั้งหลายนี้ด้วยก็เลยมาบวชพอบวชแล้วก็มาถือกระเบื้องขอทานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพอบวชแล้วมาทําตัวยังไงครับโสจะโหติอ so, ภ ja, ิชารุหวางอัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้เพื่อจะทรงแสดงถึงกุลบุตรผู้ให้ความคิดเกิดขึ้นในเบื้องต้นว่าเราจัะทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วบวชแต่ภายหลังไม่สามารถทําการบวชนั้นให้เป็นแบบนั้นได้คือทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ครับพอบวชแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่คิดหรอกครับที่บวชที่แรกอูย้ยเหลื่อมสายจริงๆนิงมิพานเนี่ยต้องชาตินี้ให้ได้บวชนะแรกเริ่มเดิมบวชนี่แหมนิพานแค่เอื้อมนะครับ บวชแล้วประพฤทธปฏิบัติไม่กี่ปีบรรลุแน่นอนนะครับพระบวชมาแล้วเป็นไงครับอภิชารุเป็นผู้เพ่งสิ่งของของผู้อื่นนะครับวันๆก็น้อมนึกคิดถึงที่ไหนก็ได้สํา น, นวนวิญญาณไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคิดแต่เรื่องนอกตัวคิดไกลบ้านไกลเมืองคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับบท ว, ว่าติภาษาราโคความว่าผู้มีราคะมากนะครับบท ว, ว่าพยาปัญญจิตโตเป็นผู้มีจิตวิบัติเพราะ เป็นจิตเสียด้วยพยาบาทนะครับใจเสียแล้วนะปัทุธรรมะนะสังกัปโปความว่าผู้มีจิตถูกโทสะปัทุสร้ายแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งการเข็นฆ่าพวกอื่นเหมือนโคมีเขาแหลมนะครับพอบวชมาแล้วก็โอ้ยจิตใจเป็นไปกับโทสานะเที่ยวว่าคนโน้นด่าคนนี้ตําหนิคนนั่นเป็นต้นนะครับบทว่ามุทธสติความว่าเป็นผู้มีสติหลงลืมคือทําอะไรไว้ในที่นี้แล้ว ก็ระลึกในที่นี้ไม่ได้เหมือนกาเนี่ยนะครับซ่อนก้อนข้าวเอาไว้เละเหมือนสุนัขซ่อนเนื้อไว้แล้วก็นึกไม่ได้ชนะนะครับโอแอบไปคาบข้าวเข้ามาแล้วก็เก็บซุกไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วลืมปล่อยให้บูททิ้งนะครับหมาไปขโมยเนื้อเข้ามาแล้วก็แอบซุกเอาไว้นะครับเอาลืมอีกแล้วนะครับเน่าทิ้งหมดนะครับนะเนี่ยพวกหลงลืมสติมเป็นอย่างนี้แหะครับนะครับทําอะไรก็หลงล้มลืมลืมปั่มปั่มเป๊ะเป๊ลักษณะนั้นนะครับ บทว่าอะซัมปชาโนความว่าไม่มีปัญญาคือเว้นจากการกําหนดขันเป็นต้นนะครับไม่มีการพิจารณาวัานนี้ขันนี้ธาตุนี้อายตนะนี้สัจจะนี้อินทรีย์นี้ปฏิจจสมุปบาทนี้ขันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ น, นี้รูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาละเอียดเลวปณิดใกล้ไกลไม่พิจารณาซักอย่างเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอะซัมปชาโน่ บอว่าอาสมาฮิโตก็ว่าหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เหมือนเรือที่ผูกไว้ในกระแสน้ำเชี่ยวนะครับจิตใจนี่วันไ ว, ว้วอกแวกคิดโน่นคิดนี่นะครับคิดห้านะคิดห้าสำนวนว่าคิดนาทีเดียวเนี่ยก็ไม่รู้กี่สิบเรื่องต่อกี่สิบเรื่องนะครับแบบประมาณน ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะถ้าเป็นพวกอะไรนะบางองค์เนี่ยนะครับโอยนั่งคิดถึงกีฬานะมีรูปหนึ่งก็บอกเขานึกนะเอ๊เขาทาบุญนะปรารถนาอยากจะเป็นนายร้อยเขาบอกงั้น อีกพักหนึ่งไปในร้อยก็ไม่ได้อยากเป็นนักฟุตบอลเขาวางกันไปไปมาอยากเป็นนักบาสคิดไปคิดมายวนอยู่นะครับเดินจงกรมคิดหมกมุ่นในเรื่องพวกนี้แหละครับมีนะบอกโอ้ให้มันได้ขนาดนี้สิครับพวกนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะครับเดินไปยิ้มไปหัวเราะไปซึมไปอะไรไปนะครับวันโอ้ยวันวันว น, ว น, นียคิดไปไม่รู้กี่สิบเรื่องต่อกี่สิบเรื่องนะครับโยอมก็ไม่เห็นก็บอกเออองนี้สุขภาพจิตดีหรือเปล่าเขาจะพาไปหามหมอนะครับ โยมเขสงสารน่ยนะเขาจะไปหาไปหาหมอเองครับกลัวว่าอาจจะป่วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับมันเรียกว่าอสมาฮิโต้มีจิตไม่ตั้งมั่นนะครับของเรานี่ก็เป็นคล้ายๆนะครับแต่ว่ากิริยาไม่หนักขนาดนั้นเท่านั้นแหละครับควบคุมพฤติกรรมได้แบบนั้นนะะแต่ความคิดก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไห ร, ร่แบบนั้นนี่ยบทว่าวิพันธ์นจิตโตเขาว่าตื่นตกใจเหมือนเนื้อขึ้นสู่ทางแบบนั้นนะมันระหวดัดระแวงมันสะดุ้งไปหมดเลยนะครับ บอทว่าปากะตินดุโยความว่าเป็นผู้ไม่สำรวมอินทรีย์เหมือนครือขัดทั้งหลายนะครับเหมือนโยมเลยนะผู้ไม่สำรวมอินทรีย์มองดูคนที่ตนห่วงแหนเพราะไม่มีการสำรวมบกเวกกวยวายไปหมดนะครับเจียวเจ้าเจียวเจ้าไปหมดเลยนะฮะลักษณะนี้นะครับกระวมไม่สำรวมปากสำรวมคําสำรวมตาหูเลยนะครับเออะโวยวายไปหมดนะครับเออนะมีบางแขวงโวยพระเข้าไปเป็นคันรถอย่างเงี้ยนะครับ เอะโวยวามันตึงตึงนังอะไรนัก็ไม่รู้นะครับเห็นแล้วก็โอ้ยอผมเป็นโยมใส่บาตรลงหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอย่างนี้โยมก็ใส่บาตรหรือเลนันะก็ทำสังฆทานเอากันแล้วกันนึกถึงอุชูปฏิปันโนสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแบบสมัยพุทธกาลใครจะรับของเราไปก็จ้งางเตอะงั้นบทว่าอุปโตปฏิ ต, ตังนะครับมัดเชคูตัตังความว่า รุ่นฟืนยาวประมาณ8นิ้วไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางก็เปื้อนคูดนะครับเปื้อนขี่ม้านะอ่านพุทธพจน์ซ้ำอีกครั้งว่างน้นเถอะ ดความพิสูนทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอาพิชามมากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําฤตแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมนะครับไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สํารวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคล น, นี้ว่า มีอุปมาเหมือนดุนฟืนในที่เผาผีที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์ในเป็นฟืนในป่าก็ไม่สำเร็จฉชนนั้นนะฟืนในบ้านก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ดีเพราะฉะั้นบุคคล น, นี้เสื่อมแล้วจากโภคาแห่งครหัขัดและไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้นะครับก็อธิบายว่าบทวา่าเนวคามความว่า จริงอยู่ถ้าหากรุ่นฟืนนั้นเป็นของที่ใครๆนึกว่าสามารถนำเข้าไปใช้เพื่อประโยชน์แกแอกไถและไม้จันทันนะครับไม้จันทันคือที่ลากลงนะครับมาลากลงแล้วก็ไม้จันทันนะครับและไม้ฟ้าได้ซ้ายนะครับไม้ฟ้าคือลาก ต, ตีกระทงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็ต้องพาเพื่อเป็นฟืนใช้ในบ้านนะครับคือถ้าหากว่ามันเศษเหลือๆประมาณ8นิ้ว8คดขึน้นมันก็เอามาพาพาพาหุงข้าวต้มแกงได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นของที่ใครๆนึกว่าสามารถนําไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ไม้ปูพื้นและเตียงเป็นต้นที่กระท่อมนาได้ไซายนะครับะนะพอพอไปวางให้มันได้นั่งได้เป็นตังเป็นอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะไม้แบบนั้นก็ต้องผ่าเพื่อใช้เป็นฟืนในป่าแต่เพราะเหตุที่ประโยชน์แม้ทั้งสองอย่างนั้นใครๆก็ไม่อาจนํามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัดไว้ยอย่างนี้ครับทําไมครับ เพราะว่าหัวท้ายถูกไฟไหม้เนี่ยนะครับหัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางกับเปลือกขี้อีกตัางหากเลยโอ้ยมาแท้งงานอะไรนะครับอนนจะจับหัวจับท้ายไฟก็จะไม่จับตรงกลางกับเปื้อนอุจจาระอีกนะครับนะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับบทว่าตะทูประมาหังความว่าเราตถาคตเรียกบุคคลตามที่กล่าวมาแล้วนี้ว่าอุปมาเหมือนอย่างนั้นคือเช่นกับฟืนเผาศพถ้ามันเผาอะไรก็อ ย, อยังชัว่วเลยนะ เฟืนเผาผีนะครับไม่ม่วนเลยบทว่าคีโพคาจะปริหีโนความว่าเป็นผู้เสื่อมจากโพคาที่จะต้องได้เมื่อเครือหัาทั้งหลายผู้ครองเรือนแบ่งมรดกอยู่โดยประการอื่นด้วยอจะไปรับทรัพย์มรดกแบบชาวบ้านทั้งหลายทำมาหากินแบบเขาก็ไม่ได้นะครับบทว่าสามัญยัท์ทันจะนะครับ ความว่าไม่สามารถยังสามัญพจน์ที่สัตว์ที่วิหาริกและอันเตวาสิกดํารงอยู่ในโอวาทของอุปชาและอาจารย์ทั้งหลายแล้วจะพึงถึงด้วยคสามารถแห่งปริยัติและปฏิเวทให้บริบูรณ์นะครับปริยัติสัพท์ทำก็ไม่ได้ปฏิเวทมักผลนิพานอะไรไม่ได้ซักอย่างนะครับปริยัติเนี่ยนะครับอาจจะเอาสักนิกายจะเอาสักให้มันลึกซึ้งสักปิดกใดปิดกหนึ่งแทงตลอดปฏิปฏิบัติอู้ยอยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินนะครับ อันหนึ่งเพิ่งทราบว่าภาษาสลาไม่ได้ทรงอุปมานี้ด้วยสา ม, มารถแห่งบุคคลทูศีลสูตรนี้ไม่ใช่พูดถึงคนทูศีล น, นะครับแต่ทรงนำมาด้วยสา ม, มารถแห่งบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ไม่เกียรคร้านผู้มีจิตถูกโทษทั้งหลายเมียพิชาเป็นต้นปทุสลายแล้ว เอาคนศีลดีๆนี่แหละครับมาได้เป็นอบัตจปาราชงปาราชีกอะไรหรอครับบวชมาดีนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละครับแต่แหมโลภะอกุศลวิตตกนั่งคิดถึงตามนอนคิดถึงตามทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาแบบนี้แหละครับแมโดนผมแล้วมั้งเนี่ยพวกดุนฟืนเผาศพทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับแมไม่ไว้เลยดีเหมือนกันนะครับจะได้ต้องเอาแบบนักๆ ก, กันนะ ครับต้องเทศหนักๆอย่างนี้จึงจะได้งานน่ะนะไม่หนักนะสาหัสจริงๆแม่ก็ยังนึ ก, กว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งนะครับไปเทียบกับคนเลวสินะครับเอาคนดีๆเอาภาพแบบสมัยพุทธกาลมาเทียบนันหมห่างเหลือเกินนะครับสมควรแล้วนะห่างสองพันกว่าปีขนาดนี้นะแล้วในคาถาพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโพคาแห่งครือขัดย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไป เหมือนดุนฟืนในที่เผาผีชิบหายไปอยู่ฉะนั้นก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีนผู้ไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนเข้าของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะครับอ อธิบายว่าเสื่อมแล้วจากเครื่องอุปโภคที่ทําให้เกิดการมัศุขใช่ไหมครับเสื่อมจากการดูหนังฟังละครดูเพลงทั้งหลายแหลไอฟังเพลงทั้งหลายและเนี่ยนะครับเสื่อมจากการเที่ยวดูโน่นชมนั่นชมนี่เพลดิดเพลินสนุกสนานรา่าเริงกินเลี้ยงตอนเย็นบะห ม, มียหอมๆอมอะไรอ ไ, รไม่ได้สากอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเสื่อมจากการมัศุขหมดเกลี้ยงนะ บอกว่าปริหิโนได้แก่เสื่อมโทมแลว้วบทว่าสามัญยัตถังได้แก่ทั้งหูสูตรในทางปฏิเวททั้งหูสูตรในทางปริยัตหมายว่าเสื่อมจากสามัญญผลหมดเกลี้ยงนะครับคือทางการแตกฉานในพระธรรมคําสอนนะครับก็ไม่ได้มันรูมมกักผลก็ไม่ได้เพราะว่าคนเช่นนั้นไม่สามารถจะได้ฟังเรื่องที่ยังไม่ได้ฟังและยังเรื่องที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งเพราะความเป็นคนเกียจคร้านนะครับ ใช้เวลาวันวันในโว้ยครุณคิดหมกไปในเรื่องอันนี้ น, นะครับตาขูสววิตกนั่นแหละคนชั่วหมดสง่าเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าเสื่อมจากโพคะเพราะไม่มีบุญได้แก่บุรุษกาละกะนันีนะครับถ้าพูดแบบคารวาสนะคนไม่มีทรัพย์สินก็คนกาละกะนันีนะครับบทว่าปริทางสมาโนความว่าพินาศอยู่บทว่าปกิเรติความว่าเรียราตคือกระจัดกระจายไป คำทั้งหมดนี้พระผู้มีพระภาคตรัดหมายเอาการไม่เกิดขึ้นแห่งความเจริญคือสามัญผลนะคือพหุสูตรแล้วก็พหุสูตรทางปฏิเวทนะครับแล้วก็ทางปริยัตนะขาดทั้งปริยัตปฏิเวทอะไรหมดเลยบอว่าชาวาลาตังวินสติความว่าบุคคลนั้นคือชนิดนั้นจะไม่ประกอบ ประโยชน์ให้แก่ใครๆเลยพินาศเหมือนดุนฟืนเผาศพดังที่กล่าวมาแล้วเพราะเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ทั้งสองถามว่าพลาดทั้ประโยชน์2คือประโยชน์ไหนครับประโยชน์ของคารวาสและประโยชน์ของนักบวชนะครับเสื่อมหมดเลยนะถึงจะไม่ได้ทําการละเมิดทางกายและวาจาแต่เมื่อไม่ชําระจิตให้สะอาดก็พินาศนะครับชั่วทางกายก็ไม่ได้ทําอะไรรอกวาจาก็สํารวมดีอยู่หรอกแต่แหมใจสิ นะครับเพราะว่าจิตไม่สะอาดนะครับจะป่วยกล่าวปยายถึงการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาเล่านะครับนี่โอ้ยกายเนี่ครึมเงับหมดนะครับวาจาก็ไม่พูดไมจารักษาดีเยี่ยมแต่จิตนี่ไม่ได้เป็นบุญเลยนะครับอย่างนี้ก็ตุนฟืนเผาศพนะครับเผาผีหนักไปหรือเปล่านะครับไกลๆกันนั่นแหละถ้าคนทุศีนไม่มีธรรมนะครับ ก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทูสศีลผู้ไม่สำรวมจะพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะครับถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะพระผู้เุทธเจ้าตรัสว่าครั้นแสดงโทษของความทูศีลดยการทรงแสดงถึงส่วนแห่งทุกข์ในอบายของเขาแล้วจึงตรัส ด, ด้วยคาว่าทุตศีโลเพื่อจะแสดงพรประสงค์ ให้สัตว์ทั้งหลายสงัดจากโทษของความทุศีนจึงตรัตคาถานี้นะครับที่บอกว่าชนเป็นอันมากนะครับมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ไปหมกไหมอยู่ในอบายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ศีนดีอกุศลไม่ตกก็ไม่ดีไม่ต้องกล่าวไปถึงศีลไม่ดีถ้าศีลไม่ดีนะครับกินข้าวของชาวแว่นแควนด้วยก็ไปกันหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้น ชำระสาสางได้ก็ชำระเถอะนะครับอย่าไปปล่อยให้ทุกร้อนทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นกันเนื้อกับตัวเลยนะครับเป็นบาปแก่ตัวเปล่าๆนะครับพอจะชำระได้ก็ชำระไปเถอะถ้าเป็นประชิกก็แก้ได้นะครับก็เป็นสมัมมณีนซะ ก็ไม่ได้ห้ามมักผลนิพพานอะไรถ้าเป็นสังขารที่เศษก็อยู่ประพฤติปริวาสชำระศาสตสร้สางให้บริสุทธิ์แต่เป็นนิสกีของไหนพอจะสละได้ก็สละไปเถอนะครับเป็นอบัติพอที่จะปลงได้ทาคืนได้ก็ทำคืนแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปเพราะผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสารวมระวังต่อไป นั่นแหละเป็นความเจริญในอริยะวินัยนี้นะครับแก้ตัวได้คนเราก็มีความผิดพลาดบ้างนะครับเป็นธรรมดาพ่อไม่รู้แต่รู้แล้วก็ควรสังวรสำรวมระวังแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วไม่คิดจะสังวรสำรวมระวังนะครับก็เป็นคนที่สร้างตราบบาปให้กับตัวเองนะครับบาปทั้งหลายที่ทำก็ไม่มีใครไปรับแทนหรอกนะครับนั่นนะันะ พยาลมก็บอกว่าพ่อก็ไม่ได้ทําให้ท่านนะบาปประกรรมทั้งหลายแม่ก็ไม่ได้ทําให้ท่านมิตรอมาญย่าซาโลหิตก็ไม่ได้ทําให้ท่านเพราะบาปเหล่านั้นทํามาด้วยมือของตัวเองท่้นเวลาทุกข์มันให้ผลก็อย่าขาควรก็แล้วกันทําไม่คิดจะแก้ไขเวลาได้เจ็บปวดทุกข์ร้อนเป็นต้นก็อย่าเดือดร้อนนะครับบอกเออสมเหตุสมผลแล้วนะถ้าหาว่ากรรมชั่วไม่มีผลคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ผิดร้อ ก, กว่าไงแต่นี่คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นโทษก็ ถ้ารับทุกก็อย่าอดครวนกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้กัน